คอมพิวเตอร์กรรมคอมพิวเตอร์ของธรรมมีมาดั้งเดิมแล้วกรรมของสัตว์ที่ทำลงไปเป็นคอมพิวเตอร์แล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดคอมพิวเตอร์ของกรรมพากันจำเอานะ คอมพิวเตอร์ของบาปของกรรมมันละเอียดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้กันอยู่นี้นะเป็นหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติคอมพิวเตอร์ธรรมชาติจดจารึกกันไปในตัวไปในตัวเสร็จคอมพิวเตอร์หลักธรรมชาติที่มีอยู่ประจําสัตว์เกี่ยวข้องกับดีกับชั่วอนันนี้มีประจําอยู่ภายในนั้นแล้วธรรมชาติเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวแล้ว ในการสร้างดีสร้างชั่วบากบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ต่างๆบรรจุคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวของมันจดเข้าอยู่ในหัวใจในหัวใจเรียบแล้วยมมาบานจะหาที่ไหนคอมพิวเตอร์บอกโดยหลักธรรมชาติแล้วตายก็ตูมเลยตูมเลยนี่นี้หลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใคร ใครจะลบล้างไม่ลบล้างไม่มีปัญหาไม่มีความหมายทั้งนั้นล่ละใครอยากเก่งนะว่ามีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมภานปลาปลาเถื่อนเอาเวลาตายไปขาดลงไปปับถึงทันทีเลยไม่มีนะกิโลกี่กิโลจากนี่ถึงนรกหลุมนั้นหลุมนั้นกี่กิโลผึงเดียวเท่านั้นถึงเลย เพราะการสร้างในหัวใจเจ้าของมีกิโลที่ไหนเล่าพอตายแล้วก็ตูมเลยถ้าลงนรกลงต่ำก็ตูมถ้าไปสวรรค์ทางดีก็ดีผึงเลยกิเลสตัณหานี่มันพาให้สร้างความชั่วฮิริโอตตปะไม่มีในหัวใจนะไม่รู้ตัวนะว่าไปสร้างความชั่วเพราะอันนี้เป็นเหตุให้ทาจับเข้าไป มันรู้ทันทีเห็นหมดมันจะออกมาแง่ไหนแง่ใดมันรู้หมดปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่เพียงแต่จิตแยบออกมาบอกชัดเจนแล้วบาปออกมาพร้อมกันแล้วผู้ทําหลับตาธรรมอยู่นั้นไม่รู้ว่าบาปว่าบุญเป็นยังไงหลักธรรมชาติคือคอมพิวเตอร์บอกไว้แล้วทําดีก็เหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําที่แจ้งที่รับที่ไหนๆคอมพิวเตอร์มันไม่มีคําว่าที่แจ้งที่รับคอมพิวเตอร์จะบอกในนั้นเสร็ จ, เ, รจเลยทํามากี่ครั้งกี่หนไม่ต้องไปหานับคอมพิวเตอร์จะบอกในตัวเสร็จหมดเลยอัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้าแหมไม่เคยจืดจางเลย ยิ่งไปเห็นคนทำความชั่วช้าลามกยิ่งสลดใจนะถ้าจะเรียกภาษาโลกเรียกว่าหดหูไม่อยากดูเพราะว่าเขาจะไปทำกรรมของเขาอีกขนาดไหนมันเห็นชัดๆัอยู่คอมพิวเตอร์มันบอกอยู่นั้นคอมพิวเตอร์ในตัวของเขาเองที่ทำมันบอกอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาไม่ได้สนใจกับใครละ คอมพิวเตอร์หลักธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นตลอดมาใครเชื่อไม่เชื่อก็ตาม